คนมนุษย์การโดยความไม่เที่ยงอินทรีย์อะไรมีประมาณยิ่งเพราะอินทรีย์อะไรมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นศรัทธาที่มุดเมื่อมนุษย์การโดยความเป็นทุกข์อินทรีย์อะไรมีประมาณยิ่งเพราะอินทรีย์อะไรมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นกายสักขีเมื่อมนุษย์การโดยความเป็นอนัตตาอินทรีย์อะไรมีประมาณยิ่งเพราะอินทรีย์อะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตะคือเมื่อบุคคลมนุษยการโดยความไม่เที่ยงสัดทินรียมีประมาณยิ่งเพราะสัดทินรียมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นศัทธาที่มุดเมื่อมนุษยการเดือความเป็นทุกข์สมาทินรียมีประมาณยิ่งเพราะสมาทินรียมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นกายะศักด์ถีเมื่อมนุษยการเดืความเป็นอนัตตาปัญญรียมีประมาณยิ่ง เพราะปัญญีนีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตะบุคคลผู้น้อมใจเชื่อเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าศัทธาที่มุดบุคคลชื่อว่าทาให้แจ้งเพราะเป็นผู้ถูกต้องทำเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากายสักขีบุคคลชื่อว่าบรรลุแล้วเพราะเป็นผู้เห็นธรรมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐิปตะ บุคคลผู้น้อมใจเชื่อเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัทธาวทิมุตตบุคคลถูกต้องฌานก่อนภายหลังจึงทำให้แจ้งนิพพานซึ่งเป็นความดับเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากายสักขียานว่าสังขารเป็นทุกข์นิโรธเป็นสุขเป็นยานอันบุคคลเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐิปตะ บุคคลสามจำพวกนี้คือศรัทธาที่มุดหนึ่งกายสักขีหนึ่งทิฏฐิปัตะหนึ่งพึงเป็นศรัทธาที่มุดก็ได้เป็นกายสักขีก็ได้เป็นทิฏฐิปัตะก็ได้ด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายคำว่าพึงเป็นอธิบายว่าพึงเป็นอย่างไรคือเมื่อบุคคลมศศาในสุขานโดยความไม่เที่ยงชาตินีมีประมาณยิ่ง เพราะสัตทินซีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นศรัทธาที่มุดเมื่อมนัสการโดยความเป็นทุกข์สัตทินซีมีประมาณยิ่งเพราะสัตทินซีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นศรัทธาที่มุดเมื่อมนัสการโดยความเป็นอนัตตาสัตทินรีมีประมาณยิ่งเพราะสัตทินซีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นศรัทธาที่มุดบุคคลสามจำพวกนี้เป็นศรัทธาที่มุด ด้วยอำนาจสัทินีอย่างนี้เมื่อบุคคลมนัสการโดยความเป็นทุกข์สมาธินีมีประมาณยิ่งเพราะสมาธินีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นกายสักขีเมื่อมานัสการโดยความเป็นอนัตตาสมาธินีมีประมาณยิ่งเพราะสมาธินีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นกายสักขีเมื่อมนัสการโดยความไม่เที่ยง สมาธินรียมีประมาณยิ่งเพราะสมาธินรียมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นกายสักขีบุคคลสามจำพวกนี้เป็นกายสักขีด้วยอำนาจสมาธินรียอย่างนี้เมื่อบุคคลมนัสการโดยความเป็นอนัตตาปัญญินรียมีประมาณยิ่งเพราะปัญญีนียมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตะเมื่อมนัสการโดยความไม่เที่ยงปัญญีนียมีประมาณยิ่ง เพราะปัญญินีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นทิฏฐิป ต, ตะเมื่อมนัสิการโดยความเป็นทุกข์ปัญญินีมีประมาณยิ่งเพราะปัญญินีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นทิฏฐิปตะบุคคลสามจำพวกนี้เป็นทิฏฐิปตะด้วยอำนาจปัญญินีอย่างนี้บุคคลสามจำพวกนี้คือศรัท ธ, ธาที่มุดหนึ่งกายศักขีหนึ่งทิฏฐิปตะหนึ่ง พึงเป็นศรัทธาที่มุตก็ได้เป็นกายสัคคีก็ได้เป็นทิฏฐิปัตตะก็ได้ด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยาอย่างนี้บุคคลสามเช่นพวกนี้คือนศรัทธาที่มุตหนึ่งกายสัคคีหนึ่งทิฏฐิปัตตะหนึ่งพึงเป็นศรัทธาที่มุตอย่างหนึ่งเป็นกายสัคคีอย่างหนึ่งเป็นทิฏฐิปัตตะอย่างหนึ่งด้วยประการฉนี้ถามว่าพึงเป็นอย่างไร ตอบว่าเมื่อบุคคลมานัสการโดยความไม่เที่ยงสัตทินรียมีประมาณยิ่ ง, งเพราะสัต ท, ท, ท, ทินรียมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นศรัทธาที่มุดเมื่อมานัสการโดยความเป็นทุกข์สมาทินรียมีประมาณยิ่งเพราะสมาทินซีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นกายสักขีเมื่อมานัสการโดยความเป็นอนัตตาปัญญรียมีประมาณยิ่งเพราะปัญญรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตะบุคคลสามจำพวกนี้คือสรัทธาที่มุดหนึ่งกายอสัพขีหนึ่งทิฏฐิปัตะหนึ่งพึงเป็นสัทธาที่มุดอย่างหนึ่งเป็นกายเสักขีอย่างหนึ่ ง, เ ป, ง, ง, งเป็นทิฏฐิปัตตะอย่างหนึ่งด้วยประการฉนิเมื่อบุคคลมนัสิกานโดยความไม่เที่ยงสัตทินรีมีประมาณยิ่งเพราะสัตทินรีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงได้โสดาปฏิมัก เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นสัพทานุสาหรีอินทรีที่เป็นไปตามสัตทินทรียนั้นมีสประการเป็นสหาชาตปัจจัยเป็นัญญามัญญาปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยการเจริญอินทรีสี่ย่อมมีด้วยอํานาจสัตทินทรียบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้โสดาปติมักด้วยอํานาจสัตทินทรียบุคคลเหล่านั้นแม้ทั้งหมด เป็นสัทธานุสารีเมื่อบุคคลมานาจิการโดยความไม่เที่ยงสัตถินรียมีประมาณยิ่งเพราะสัตถินทรีย์มีประมาณยิ่ ง, งบุคคลจึงทําไม่แจ้งโซดาปฏิพลเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นศัทธาที่มดุดอินทรีย์ที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีสีประการเป็นสหาชาตปัจจัยเป็นัญญมัญญปัจจัยเป็นนิจญาปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัย อินทรีสีเป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วด้วยอำนาจสัตทินรีบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทำให้แจ้งโสดาปฏิผลด้วยอำนาจสัตทินรีบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นศรัท ธ, ธาทิมุตเมื่อบุคคลมนสิการโดือความไม่เที่ยงสัตทินรีมีประมาณยิ่งเพราะสัตทินรีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงได้สกกะทาคามิมักทาให้แจ้งสกะทาคามิผลได้อนาคามิมัก ทำให้แจ้งอนาคามิผลได้อรหัตมักทำให้แจ้งอรหัตผลเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นศรัทธาที่มุดกินซีที่เป็นไปตามสัตทินซีนั้นมีสีประการเป็นสัมปยุตต์ปัจจัยอินรีสี่เป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วด้วยอำนาจสัตทินซีบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทำให้แจ้งอรหัตผลด้วยอำนาจสัตทินซี บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นศัทธาที่มดุดเมื่อบุคคลมนัตสการโดยความเป็นทุกข์สมาธินีมีประมาณยิ่งเพราะสมาธินีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงได้โสดาปติมักเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นกายสักขีกินสีที่เป็นไปตามสมาธินีนั้นมีสี่ประการเป็นสหาชาตะปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยาปัจจัย เป็นสัมปายุตตะปัจจัยการเจริญอินทรีย์ย่อมมีด้วยอำนาจสมาธินีบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้โสดาปฏิมัตด้วยอำนาจสมาธินีบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกายสักขีเมื่อบุคคลมนัดจการดูความเป็นทุกข์สมาธินีมีประมาณยิ่งเพราะสมาธินีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงทำให้แจ้งโสดาปฏิผลได้สกทาคาไมมัต ทำให้แจ้งสกะทาคาไม่ผลได้อนาคามิมัคทำให้แจ้งอนาคาไม่ผลได้อรหัตมัคทำให้แจ้งอรหัตผลเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นกายสักขีอินทรีย์ที่เป็นไปตามสมาธิจนีนั้นมีสีประการเป็นสหาชาตปัจัยเป็นอัญญมัญญปัจใจเป็นนิสยาปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจใจ อินทรีสี่เป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วด้วยอำนาจสมาธินสีบุคคล เ, เหล่าใดเหล่าหนึ่งทำไม่แจ้งอารหัตผลด้วยอำนาจสมาธินสีบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกายศักขีเมื่อบุคคลมนัสการโดยความเป็นอนัตตาปัญญนรี่มีประมาณยิ่งเพราะปัญญนรีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงได้โสดาปติมักเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า เป็นธรรมานุสาวรีอินทรีย์ที่เป็นไปตามปัญญินรีนั้นมีสี่ประการเป็นสัมปยุตตาปัจจัยการเจริญอินทรียสีย่อมมีได้ด้วยอำนาจปัญญินรีบุคคล เ, เหล่าใดเหล่าหนึ่งได้โสดาปิมัคด้วยอำนาจปัญญินรียบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นธรรมานุสาวรีเมื่อบุคคลมนุษการโดยความเป็นอนัตตาปัญญินรียมีประมาณยิ่ง เพราะปัญญินีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงทำให้แจ้งโสดาปฏิพนเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นทิฏฐิป ต, ตะอินรีที่เป็นไปตามปัญญินีนั้นมีสี่ประการเป็นสัมปยุตต ป, ปั จ, จัจอินรีสีเป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วด้วยอำนาจปัญญินีบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทำให้แจ้งโสดาปฏิพนด้วยอำนาจปัญญินี บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นทิฏฐิปั ต, ตะเมื่อบุคคลมาณาจตการโดยความเป็นอนัตตาปัญญีสีมีประมาณยิ่งเพราะปัญญีสีมีประมาณยิ่งบุคคลจึงได้สกทาคามิมักทำให้แจ้งสกทาคามิผลได้อนาคามิมักทำให้แจ้งอนาคามิผลได้อรหัตมักทำให้แจ้งอรหัตผลเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นทิฏฐิปั ต, ตะ อินทรีย์ที่เป็นไปตามปัญญอินทรีย์นั้นมีสีประการเป็นสหาชาตะปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยอินทรีย์สีเป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วด้วยอำนาจปัญญอินทรีย์บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทาให้แจ้งอรหัตผลด้วยอำนาจปัญญอินทรีย์บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นทิฏฐิปตะ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเจริญแล้วกําลังเจริญหรือจักเจริญซึ่งเนี่ยขัมะบรรลุแล้วกําลังบรรลุหรือจากบรรลุถึงแล้วกําลังถึงหรือจักถึงได้แล้วกําลังได้หรือจากได้รู้แจ้งแล้วกําลังรู้แจ้งหรือจากรู้แจ้งทําให้แจ้งแล้วกําลังทําให้แจ้งหรือจากทําให้แจ้งถูกต้องแล้วกําลังถูกต้องหรือจากถูกต้อง ถึงความชำนาญแล้วกำลังถึงความชำนาญหรือจักถึงความชำนาญถึงความสำเร็จแล้วกำลังถึงความสำเร็จหรือจักถึงความสำเร็จถึงความกล้ากล้าแล้วกำลังถึงความกล้ากล้าหรือจักถึงความกล้ากล้าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นศรัทธาที่มุดด้วยอานาจสัททินสีเป็นกายสักขีด้วยอำนาจสมาทินสีเป็นทิฏฐิปตะด้วยอานาจปัญญินสี บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเจริญแล้วกำลังเจริญหรือจากเจริญซึ่งอพยาบาทอาโลกัสัญญาอาวิธเคปะธรรมะวะวัถฐานยานปามุ t u a l l ปถมชาญทุติยชาญตติยชาญจตุทัชาญอากาสานญจายตนะสมาบัตวิญญาณจายตนะสมาบัตอากิญจยายตนะสมาบัต เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพานุปัสสนาวิราฆานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสัคานุปัสสนาขยานุปัสสนาวยานุปัสสนาวิปรินามานุปัสสนาอนิมิตานุปัสสนาอปนิหิตานุปัสสนาสุญตานุปัสสนา อธิปัญญาธรรมวิปัสนายถาภูตยาณทัทสนะอภทีนวานุปัสนาปฏิสังขานุปัสนาวิวัตนานุปัสนาโสดาปฏิมักสะกะทาคาไมมักอนาคาไมมักบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเจริญแล้วกําลังเจริญหรือจักเจริญซึ่งอหรหัตมักบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเจริญแล้วกําลังเจริญหรือจักเจริญ ซึ่งสติประธานสสัมาประธานสอิทธิบาสีอิน 5, รีห้าพละหโาชูชงเจ็ดอริยมรรมีองค์8บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเจริญแล้วกำลังเจริญหรือจักเจริญซึ่งวิโมกแปดบรรลุแล้วกำลังบรรลุหรือจากบรรลุถึงแล้วกำลังถึงหรือจักถึงได้แล้วกำลังได้หรือจักได้รู้แจ้งแล้ว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 บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นศรัทธาที่มุดด้วยอำนาจสัททินสีเป็นกายสักขีด้วยอำนาจสมาทินสีเป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจปัญญินสีบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรลุแล้วกำลังบรรลุหรือจกบรรลุซึ่งปฏิสัมพิทาสีบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นศรัทธาที่มุดด้วยอำนาจสัททินสีเป็นกายสักขีด้วยอำนาจสมาทินสี เป็นทิฏฐิปั ต, ตะด้วยอำนาจปัญญิีสี่บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้แจ้งแล้วกำลังรู้แจ้งหรือจักรู้แจ้งซึ่งวิชาสามบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นศัทธาที่มุตดด้วยอำนาจสัททินสี่เป็นกายสักขีด้วยอำนาจสมาธินสี่เป็นทิฏฐิปัตะด้วยอำนาจปัญญิีสี่บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งศึกษาแล้วกำลังศึกษา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 บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นศรัทธาที่มุดด้วยอำ น, นาจสัททินสีเป็นกายสักขีด้วยอำ น, นาจสมาทินสีเป็นทิฏฐิปั ต, ตะด้วยอำ น, นาจปัญญินสีบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งกำหนดรู้ทุกละสมุไทยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมากบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นศรัทธาที่มุดด้วยอำ น, นาจสัททินสีเป็นกายสักขีด้วยอำ น, นาจสมาทินสีเป็นทิฏฐิปตะ ด้วยอำนาจปัญญีสีการรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการเท่าไรบุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการเท่าไรคือการรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการสี่อย่างบุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการสี่อย่างได้แก่หนึ่งรู้แจ้งทุกขสัจว่าเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้ 2. รู้แจ้งสมุทยัยสัจวา เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการละสรู้แจ้งนิโรธสัตว์ว่าเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้งสรู้แจ้งมรรคสัตว์ว่าเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการเจริญการรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการสี่อย่างนี้บุคคลเมื่อรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการสี่อย่างนี้เป็นศัทธาที่มุดด้วยอานาจสัททินสีเป็นกายศักขีด้วยอำนาจสมาทินสี เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจปัญญีสีการรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการเท่าไรบุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการเท่าไรคือการรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการเก้าอย่างบุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการเก้าอย่างได้แก่หนึ่งรู้แจ้งทุกษัตร์ว่าเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการกาหนดรู้ 2. รู้แจ้งสมุทัยสัจว่า เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการละ 3. รู้แจ้งนิโรธสัจว่าเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้ง 4. รู้แจ้งมรรคสัจว่าเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการเจริญ 5. รู้แจ้งธรรมทั้งปวงด้วยความรู้ยิ่ง 6. รู้แจ้งสังขารทั้งปวงด้วยการกาหนดรู้ 7. รู้แจ้งอกุศลธรรมทั้งปวงด้วยการละ แรู้แจ้งมัคสีด้วยการเจริญเกรู้แจ้งนิโรธ ด, ด้วยการทำให้แจ้งการรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการเก้าอย่างนี้บุคคลเมื่อรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการเก้าอย่างนี้เป็นศัทธาธีมุตดด้วยอำนาจสัจทินรีเป็นกายสัคีด้วยอำนาจสมาทินสีเป็นทิฏฐิปั ต, ตะด้วยอำนาจปัญญินสีทุติยภาณวาระ เมื่อบุคคลมาณจิการโดยความไม่เที่ยงสังขารปรากฏอย่างไรเมื่อมานจิการโดยความเป็นทุกข์สังขารปรากฏอย่างไรเมื่อมานจิการโดยความเป็นอนัตตาสังขารปรากฏอย่างไร คือเมื่อบุคคลมนุษการโดยความไม่เที uk, ่ยงสังขารปรากฏโดยความสิ้นไปเมื่อมนุษการโดยความเป็นทุกข์สังขารปรากฏโดยความเป็นภัยเมื่อมนุษการโดยความเป็นอนัตตาสังขารปรากฏโดยสุญญตาเมื่อบุคคลมนุษการโดยความไม่เที่ยงจิตมากด้วยอะไรเมื่อมนุษการโดยความเป็นทุกข์จิตมากด้วยอะไรเมื่อมนุษการโดยความเป็นอนัตตาจิตมากด้วยอะไร คือเมื่อบุคคลมนัสการโดยความไม่เที่ยงจิตเม่าด้วยความน้อมใจเชื่อเมื่อมนัสการโดยความเป็นทุกข์จิตเม่าด้วยความสงบเมื่อมนัสการโดยความเป็นอนัตตาจิตเม่าด้วยความรู้บุคคลผู้มนัสการโดยความไม่เที่ยงเม่าด้วยความน้อมใจเชื่อย่อมได้วิโมกอะไรผู้มนัสการโดยความเป็นทุกข์เม่าด้วยความสงบย่อมได้วิโมกอะไร ผู้มนุสการโดยความเป็นอนัตตามากด้วยความรู้ย่อมได้วิโมกอะไรคือบุคคลผู้มนุสการโดยความไม่เที่ยงมากด้วยความน้อมใจเชื่อย่อมได้อนนมิตะวิโมกผู้มนัสการโดยความเป็นทุกข์มากด้วยความสงบย่อมได้อัปนิหิตะวิโมกผู้มนุสการโดยความเป็นอนัตตามากด้วยความรู้ย่อมได้สุญญตาวิโมก เมื่อบุคคลมานัตกานโดยความไม่เที่ยงมากด้วยความน้อมใจเชื่อวิโมกอะไรเป็นใหญ่วิโมกแห่งภาวนาที่เป็นไปตามวิโมกนั้นมีเท่าไรเป็นสหาชาติปัจจัยเป็นอัญญาัญญปัจจัยเป็นนิสยาปัจจัยเป็นสัมปยุตตะปัจจัยมีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรใครเจริญเมื่อบุคคลมานัตกานโดยความเป็นทุกข์มากด้วยความสงบ วิโมกอะไรเป็นใหญ่วิโมกแห่งภาวนาที่เป็นไปตามวิโมกนั้นมีเท่าไหร่เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญามัญญะปัจจัยเป็นนิสยะปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยมีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรใครเจริญเมื่อมนุษการโดยความเป็นอนัตตามากด้วยความรู้วิโมกอะไรเป็นใหญ่ วิโมกแห่งภาวนาที่เป็นไปตามวิโมกนั้นมีเท่าไรเป็นสหาชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยาปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยมีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรใครย่อมเจริญคือเมื่อบุคคลมานัสกานโดยความไม่เที่ยงมากด้วยความน้อมใจเชื่ออ น, นิมิตตะวิโมกเป็นใหญ่ วิโมกแห่งภาวนาที่เป็นไปตามอนิมิตะวิโมกนั้นมีสองประการเป็นชาชาตปัจจัยมีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่ามีรถเป็นอย่างเดียวกันผู้ใดปฏิบัติโดยชอบผู้นั้นย่อมเจริญการเจริญวิโมกย่อมไม่มีแค่ผู้ปฏิบัติผิดเมื่อมนัสการโดยความเป็นทุกข์มากด้วยความสงบอภปนิหิตะวิโมกเป็นใหญ่ วิโมกแข่งภาวนาที่เป็นไปตามอัปนิหิตะวิโมกนั้นมีสองประการเป็นสหาชาตปัจจัยเป็นอัญญามัญญาปัจจัยเป็นนิสยาปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยมีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่ามีรถเป็นอย่างเดียวกันผู้ใดปฏิบัติโดยชอบผู้นั้นย่อมเจริญการเจริญวิโมกย่อมไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติผิด เมื่อมันิัการโดยความเป็นอนัตตามากด้วยความรู้สุญญะวิโมกเป็นใหญ่วิโมกแห่งภาวนาที่เป็นไปตามสุญญะวิโมกนั้นมีสองประการเป็นสหาชาตาปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมพยุตตาปัจจัยมีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่ามีรบเป็นอย่างเดียวกันผู้ใดปฏิบัติโดยชอบ ผู้นั้นย่อมเจริญการเจริญวิโมกย่อมไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติผิดเมื่อบุคคลมาในจัการาณ์โดยความไม่เที่ยงแม้ด้วยความน้อมใจเชื่อวิโมกอะไรเป็นใหญ่วิโมกแห่งภาวนาที่เป็นไปตามวิโมกนั้นมีเท่าไรเป็นสหาชาติปัจจัยเป็นอัญญามัญญปัจจัยเป็นนิสยาปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยมีรูเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่า มีรถเป็นอย่างเดียวกันในเวลารู้แจ้งวิโมกอะไรเป็นใหญ่วิโมกแห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามวิโมกนั้นมีเท่าไรเป็นสหาชาตปัจจัยเป็นอัญญามัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยมีรถเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรชื่อว่าการรู้แจ้งเพราะมีความหมายว่าอย่างไร เมื่อบุคคลมานการโดยความเป็นทุกข์มากด้วยความสงบวิโมกอะไรเป็นใหญ่วิโมกแห่งภาวนาที่เป็นไปตามวิโมกนั้นมีเท่าไรเป็นสหชาตปัจจัยเป็นัญญะมัญญะปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยมีรบเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่ามีรบเป็นอย่างเดียวกันในเวลารู้แจ้งวิโมกอะไรเป็นใหญ่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 วิโมกแห่งภาวนาที่เป็นไปตามอนิมิตตวิโมกนั้นมีสองประการเป็นสหาชาตปัจจัยเป็นอัญญามัญ ญ, ญปปะปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยมีรถเป็นอย่างเดียวกันแม้ในเวลารู้แจ้งอนิมิตตวิโมกก็เป็นใหญ่วิโมกแห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามอนิมิตวิโมกนั้นมีสองประการเป็นสหาชาตปัจจัย เป็นอัญญามัญญาปัจจัยเป็นนิจยาปัจจัยเป็นสัมปยุตตะปัจจัยมีรูเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าการรู้แจ้งเพราะมีความหมายว่าเห็นแม้บุคคลผู้รู้แจ้งอย่างนี้ก็ชื่อว่าเจริญแม้ผู้เจริญก็ชื่อว่ารู้แจ้งเมื่อมณนาจการโดยความเป็นทุกข์มากด้วยความสงบอปินิหิตตะวิโมกเป็นใหญ่ วิโมกแห่งภาวนาที่เป็นไปตามอัปนิหิตะวิโมกนั้นมีสองประการเป็นสหาชาติปัจจัยเป็นอัญญามัญญปัจจัยเป็นนิสยาปัจจยัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยมีรสเป็นอย่างเดียวกันแม้ในเวลารู้แจ้งอัปนิหิตะวิโมกก็เป็นใหญ่วิโมกแห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามอัปนิหิตะวิโมกนั้นมีสองประการเป็นสหาชาติปัจจัย เป็นัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยแม้ผู้เจริญก็ชื่อว่ารู้แจ้งเมื่อมนุษย์การโดยความเป็นอนัตตามากด้วยความรู้สุญญตาวิโมกเป็นใหญ่วิโมกแห่งภาวนาที่เป็นไปตามสุญญตาวิโมกนั้นมีสองประการเป็นจหชาตาปัจจัยเป็นัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจัย เป็นสัมปยุตตาปัจจัยมีรถเป็นอย่างเดียวกันแม้ในเวลารู้แจ้งสุญญตาวิโมกก็เป็นใหญ่วิโมกแห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามสุญญตาวิโมกนั้นมีสองประการเป็นสหาชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยแม้ผู้เจริญก็ชื่อว่าผู้รู้แจ้งเมื่อบุคคลมานาจุ ก, การด้วยความไม่เที่ยม วิโมกอะไรมีประมาณยิ่งเพราะวิโมกอะไรมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นศัทธาธีมุดเมื่อมานัตจการโดยความเป็นทุกข์วิโมกอะไรมีประมาณยิ่งเพราะวิโมกอะไรมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นกายะชักขีเมื่อมานัตการโดยความเป็นอนัตตาวิโมกอะไรมีประมาณยิ่งเพราะวิโมกอะไรมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตะ คือเมื่อบุคคลมานัติกานโดยวความไม่เที่ยงอ น, นิมิตตวิโมกมีประมาณยิง่งเพราะอนิมินนววมนนตตาวิโมกมีประมาณยิง่งบุคคลจึงเป็นสัทธาที่มุดเมื่อมานัติกานโดยความเป็นทุกข์อาปนิหิตาวิโมกมีประมาณยิง่งเพราะอาปนิหิตาวิโมกมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นกายสักขีเมือ่อมานัติกานโดยวความเป็นอนัตตาสุญญาตาวิโมกมีประมาณยิ่ง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 บุคคลผู้น้อมใจเชื่อเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าศรัท ธ, ธาทิมุติบุคคลถูกต้องฌานกรภายหลังจึงทำให้แจ้งนิพพานซึ่งเป็นความดับเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากายสักขียานว่าสังขานเป็นทุกนิโรธเป็นสุขเป็นยานอันบุคคลเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐิปัตะ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเจริญแล้วกำลังเจริญหรือจากเจริญซึ่งเนคขมะบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นศัทธาที่มุดด้วยอำนาจอนิมิตะวิโมเป็นกายศักขีด้วยอำนาจอาปนิหิตาวิโมเป็นทิฏฐิป ต, ตะด้วยอานาจสุญญตาวิโมกบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเจริญแล้วกำลังเจริญหรือจากเจริญซึ่งอภยาบาดาโลกะสัญญาอาวิเขปะ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งกําหนดรู้ทุกข์และสมุทัยทําให้แจ้งนิโรธเจริญมักบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นศัทธาที่มุตดด้วยอํานาจอานิมิตาวิโมเป็นกายสักขีด้วยอํานาจอาปัปนิหิตาวิโมเป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอํานาจสุญญตะวิโม ก, การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการเท่าไรบุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการเท่าไร คือการรู้แจ้งสัจจะจะม psi, ีได้ด้วยอาการสี <prevention> ่อย่างบุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการสี่อย่างได้แก่หนึ่งรู้แจ้งทุกขัสัจว่าเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการสหนดรู้ 2. รู้แจ้งสมุทัยสัจว่าเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการละ 3. รู้แจ้งนิโรธสัจว่าเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการทําให้แจ้ง 4. รู้แจ้งมรรคสัจว่า เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการเจริญการรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการสี่อย่างนี้บุคคลเมื่อรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการสี่อย่างนี้เป็นศรัทธาทีมุดด้วยอำนาจอนิมิตตวิโมกเป็นกายสัทธีด้วยอำนาจอัปนิหิตาวิโมกเป็นทิฏฐิปัตะด้วยอำนาจสุญญตาวิโมกการรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการเท่าไรบุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการเท่าไร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 เป็นศัทธาที่มุดด้วยอำนาจอานิมิตตวิโมกเป็นกายะศักขีด้วยอำนาจอาปินิหิตาวิโมกเป็นทิฏฐิปัตะด้วยอำนาจสุญญตาวิโมกบุคคลผู้มานาจุกลางโดยความไม่เที่ยงจะรู้เห็นธรรมเหล่าไหนตามความเป็นจริงสัมมาทัศนะความเห็นชอบเป็นอย่างไรสังขารทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้วโดวยความไม่เที่ยง ด้วยกการอนุมานตามสัมมาทัศนานั้นเป็นอย่างไรบุคคลละความสงสัยได้ที่ไหนบุคคลผู้มนสิการโดยความเป็นทุกข์จะรู้เห็นทำเหล่าไหนตามความเป็นจริงสัมมาทัศน์เป็นอย่างไรสังขารทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้วโดยความเป็นทุกข์ด้วยกการอนุมานตามสัมมาทัศน์นั้นเป็นอย่างไรบุคคลละความสงสัยได้ที่ไหน บุคคลผู้มนักษการโดยความเป็นอนัตตาจะรู้เห็นธรรมเหล่าไหนตามความเป็นจริงสัมมาทัศนะเป็นอย่างไรทาทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้วโดวยความเป็นอนัตตาด้วยการอนุมาณตามสัมมาทัศนะนั้นเป็นอย่างไรบุคคลและความสงสัยได้ที่ไหนคือบุคคลผู้มนุกษการโดยความไม่เที่ยงจะรู้เห็นนิมิตตามความเป็นจริง เพราะรู้เห็นนิมิตตามความเป็นจริงนั้นท่านจึงกล่าวว่าสัมมาทัศนะสังขารทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้วโดยความไม่เที่ยงด้วยการอนุมาณตามสัมมาทัศน์นั้นอย่างนี้บุคคลละความสงสัยได้ที่สัมมาทัศน์นี้บุคคลผู้มนัสการโดยความเป็นทุกข์จะรู้เห็นความเป็นไปตามความเป็นจริงเพราะรู้เห็นความเป็นไปตามความเป็นจริงนั้น ท่านจึงกล่าวว่าสัมมาทัศนะสังขารทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้วโดวยความเป็นทุกข์ด้วยการอนุมานตามสัมมาทัสสนั้นอย่างนี้บุคคลละความสงสัยได้ที่สัมมาทศาัศนะนี้บุคคลผู้มานัชกาลโดยความเป็นอน an ัตตาจะรู้เห็นนิมิตและความเป็นไปตามความเป็นจริงเพราะรู้เห็นนิมิตและความเป็นไปตามความเป็นจริงนั้นท่านจึงกล่าวว่า สัมมาทัสสนะทาทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้วด้วยความเป็นอนัตตาด้วยการอนุมาณตามสัมมาทัสส น, นั้นอย่างนี้บุคคลละความสงสัยได้ที่สัมมาทัสส น, นี้ทำเหล่านี้คือยะถาภูตยานสัมมาทัสสนะและกลงขาวิจรณะมีอัตตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น ธรรมเหล่านี้เคยยถาภูตยานสัมมาทัศนะและกลางขาวิจารณะมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพยัญชนะเท่านั้นเมื่อบุคคลมนุษการโดยความไม่เที่ยงอะไรปรากฏโดยความเป็นภัยเมือ่อมนุษยการโดยความเป็นทุกข์อะไรปรากฏโดยความเป็นภัยเมื่อมนุษยการโดยความเป็นอนัตตาอะไรปรากฏโดยความเป็นภัยเพื่อเมื่อบุคคลมนุษการโดยความไม่เที่ยง นิมิตปรากฏโดยความเป็นภัเมื่อมานสิกานโดยความเป็นทุกข์ความเป็นไปปรากฏโดยความเป็นภัเมื่อมานสิกานโดยความเป็นอนัตตานิมิตและความเป็นไปปรากฏโดยความเป็นภัยธรรมเหล่านี้คือปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยอธีนวญาณและนิพิธามีอัตต์ต่างกันและมีพยัญชนะต่างกัน หรือมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นธรรมเหล่านี้คือปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏเดื่อความเป็นภัยอธินาวญาณและนิพพามีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นธรรมเหล่านี้คืออนัตตานุปัสสนาและสุญยานุปัสสนามีอัดต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น ธรรมเหล่านี้คืออนัตตานุปัสสนาและสุญตานุปัสสนามีอัอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อบุคคลมานสิการโดยความไม่เที่ยงยานเกิดการพิจารณาอะไรย่อมเกิดขึ้นเมื่อมนัสิการโดยความเป็นทุกข์ยานคือการพิจารณาอะไรย่อมเกิดขึ้นเมื่อมานัสิการโดยความเป็นอนัตตายานคือการพิจารณาอะไรย่อมเกิดขึ้น คือเมื่อบุคคลมนัสการโดยความไม่เที่ยงยานคือการพิจารณานิมิตย่อมเกิดขึ้นเมื่อมนัสการโดยความเป็นทุกข์ยานคือการพิจารณ า, าความเป็นไปย่อมเกิดขึ้นเมื่อมนัสการโดยความเป็นอนัตตายานคือการพิจารณานิมิตและความเป็นไปย่อมเกิดขึ้นธรรมเหล่านี้คือมูลจิตุกรรมยตาญาณปฏิสังข า, า, านุปัสสนาญาณและสังารรขารุเปขาญาณ มีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นทาเหล่านี้คือมุญจิตุกรรมยะตายานปฏิสังขานุปัสสนาญาณและสังขารุปเปรขายานมีอัตย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อบุคคลมนุษยการโดยความไม่เที่ยงจิตออกจากอะไรเล่นไปในที่ไหนเมื่อมนุษ ก, การโดยความเป็นทุกข์ จิตออกจากอะไรแล่นไปในที่ไหนเมื่อมนัตสุการโดยความเป็นอนัตตาจิตออกจากอะไรแล่นไปในที่ไหนคือเมื่อบุคคลมนัตสุการโดยความไม่เที่ยงจิตออกจากนิมิตแล่นไปในนิพานซึ่งไม่มีนิมิตเมื่อมนัตสการโดยความเป็นทุกข์จิตออกจากความเป็นไปแล่นไปในนิพานซึ่งไม่มีความเป็นไปเมื่อมนัตสการโดยความเป็นอนัตตา จิตออกจากนิมิตและความเป็นไปแล่นไปในนิพพานธาตุซึ่งเป็นความดับซึ่งไม่มีนิมิตและความเป็นไปทำเหล่านี้คือปัญญาในการออกและหลีกไปจากนิมิตภายนอกและโคตรภูธรรมมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น ธรรมเหล่านี้คือปัญญาในการออกและหลีกไปจากนิมิภายนอกและโคตรภูธรรมมีอัอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นบุคคลผู้มานาจการโดยความไม่เที่ยงย่อมหลุดพ้นด้วยวิโมกอะไรผู้มานาจการโดยความเป็นทุกข์ย่อมหลุดพ้นด้วยวิโมกอะไรผู้มานาจการโดยความเป็นอนัตตาย่อมหลุดพ้นด้วยวิโมกอะไร คือบุคคลผู้มนัสการโดยความไม่เที่ยงย่อมหลุดพ้นด้วยอนิมิตตวิโมกผู้มนัสการโดยความเป็นทุกข์ย่อมหลุดพ้นด้วยอปนิหิตาวิโมกผู้มนัสการโดยความเป็นอนัตตาย่อมหลุดพ้นด้วยสุญญาตาวิโมกทำเหล่านี้คือปัญญาในการออกและหลีกไปจากลิเลสขันและจากนิมิภายนอกและมรรคยานมีอัดต่างกันและมีพญัญชนะต่างกัน หรือมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นทาเหล่านี้คือปัญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลสขันธ์และนิมิตภายนอกและมรรคญาณมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น